สัมมาวาจามันก็คือศีลข้อสี่ใช่ไหมสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะมัก็ศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามส่วนศีลข้อหเนี่ยไม่ได้กําหนดไว้นี้เป็นของควรปฏิบัติถ้ากินเหล้าเมายามันก็ขาดสตินใจมันคลึกใจมันขนองกินมากๆเข้าใจก็มื ด, ใ จ, มดใจก็มัวปวดหัวตัวร้อนนี่ก็ภาวนาไม่ไหวแต่ถ้าใจเราไม่ได้ติดยาเสพติดติดเหล้าอะไรนะัใจเราปลัดหลง เกื้อกูลให้มีสติจะส่งเสริมสัมมาสติเห็นหสิณห้าข้อมีอยู่ในองค์มรักษ์นั่นแหละสิลอื่นๆก็เป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นเองนะมีสิณ227เอาีบเแล้วข้าจริงมันก็ไม่ใช่สิณ2ยีบเจนไม่ใช่ข้อห้ามอะไรมากมายขนาดนั้นมันเป็นเรื่องระเบียบปฏิบัติซะได้เยอะอย่างธรรมะของพระนะพระวินัยเจดสบห้าข้อเรื่องเศขษยีวัดเรื่องระเบียบ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 หัดรู้สภาวะเนืองเนืองหัดรู้บ่อยๆวันหนึ่งกิตจะจําสภาวะได้แม่นเช่นมันจําได้ว่าความโกรธเป็นยังไงบางคนขี้โมโหนะเราก็เอาความโกรธนี่แหละมาทําสติปัฏฐานนะอามาเป็นฐานของสตินะความโกรธเกิดขึ้นในใจแวบเรารู้ทันโกรธแล้นะเดี๋ยวก็ขัดใจเกิดขึ้นรู้อีกนะเดี๋ยวเสียใจเกิดขึ้นรู้อีกนี่ตระกูลความโกรธนะคนไหนขี้โลภ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 ในไขี้โมโหพอเกิดความโกรธขึ้นมาสติระลึกปั๊บมันจะเห็นเลยว่าความโกรธมันหายไปแล้วจิตที่มีโทสะมันก็คู่กับจิตที่ไม่มีโทสะเวลาเห็นมันเลยเห็นคู่กันเพราะฉนั้นเวลาเจริญสติปัฏฐานถ้าดูจิตดูใจเราจะเห็นของที่เป็นคู่คู่จิตที่มีโทสะเกิดขึ้นพอรู้ทันก็กลายเป็นจิตที่ไม่มีโทสะจิตที่มีความโลภเกิดขึ้นพอรู้ทันก็กลายเป็นจิตที่ไม่มีความโลภจิตที่ลอยไปแอบไปคิดไปนึก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 แล้วง ง, งๆนะเอ๊ะหลวงพ่อให้ดูความโกรธแล้วทำไมมันจะเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะควจริงเราให้ลูกกุญแจไปให้ลูกกุญแจไปสําหรับคนคนหนึ่ง น, นี่พวกเรามารับลูกกุญแจที่เราขนไม่ได้เราสังเกตเอาแล้ว ก, กั น, นกิเลสอะไรเกิดบ่อยหรือสภาวะอะไรเกิดบ่อยๆนะเอาตัวนั้นแหละเป็นฐานเอาไว้พอจิตเคลื่อนไปจากตรงนั้นจิตหลงไปจากตรงนั้นตรงนั้นหายไปเราก็ค่อยรู้ทันเนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย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 เพรนไม่ต้องละความเป็นตัวตนนะเพราะไม่มีความเป็นตัวตนจะให้ละเราละความเห็นผิดว่ามีตัวตนความเห็นผิดว่ามีตัวตนเกิดจากการคิดนั่นแหละเนั้นทําอะไร่จิตไหลไปคิดนะเรารู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้ทันจิตหลุดออกจากความคิดในขณะนั้นตัวโจทย์ตนจะไม่มีนี่ฝึกไปเรื่อยนะจะเห็นว่าตัว ต, วตนไม่มีแต่จะเห็นอย่างนี้ได้ถ้ามีเงื่อนไขอีกตัวหนึ่งคือสัมมาสมาธิสัมมาสม า, สมาธิคือความตั้งมั่นของจิต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 ค่ฝึกเอานะค่อฝึกวันนี้เทศพอสมควรแล้วขอโฆษณาหน่อยวันนี้มีหนังสือเล่มใหม่แจกนะเรื่องแกนทำคําคสอนของหลวงปู่ดูลนะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็หัดภาวนาไปนะแล้วก็ค่อยๆไปอ่านไม่ต้องรีบร้อนนะรีบร้อนอ่านเดี๋ยวปวดหัวหนะลวงพ่อเขียนย่อๆนะแต่ว่ามันจะครอบคลุมการปฏิบัติเอาไว้เยอะยะเลยครอบคลุมการปฏิบัติที่ถูกเป็นยังไงปฏิบัติที่ผิดเป็นยังไง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 เหมนใจมันเป็นลบหลูลงเกินพรระัตนาไตแล้วครูบาจางขึ้นมาทําให้หนูแบบไม่กล้าเข้าวัดค่ะเพราะว่ากลัวจะบาปอ่ะแล้วก็ตอนค่ะตอนหลังก็เลยแบบมีคนแนะนําว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเกิดแบบนี้ขึ้นปุ๊บก็กําหนดไปว่าคิดอกุศลหนออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็บางลงแต่พอตารางมาฟังสี่หลงเพราะมันแค่รู้อะค่ะอืมเป็นรู้ตรงที่จิตมันไปลบหลูพรระัตนาไตสังเกตไหมจิตมันเป็นลบหลูเองเราเจตนามไหมลึกๆหนูไม่ยาก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 ให้รู้ทันลงไปในจิตมันเป็นคนลบหลู่นจิตมันไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดหน้าอกุศลหนงวศนหนออกุศลหนอก็คืออกุศลครั้งที่สองขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่การนมัสการหลวงพ่อครับปีนี้บริษัทส่วนตัวของผมกําไรมหาศาลเลยครั บ, บคือของผมเริ่มปิดปัดมาตั้งแต่ต้นปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์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 ทำในรูปแบบแล้วระวังเพ่ง mm hmm. การทำในรูปแบบนี้มีเซนซิทีฟอยู่เรื่องเพ่งง่าย mm hmm. อา้าวต่อไปแล้วมาสการคะ่ะหลวงพ่อเคยถามหลวงพ่อครั้งนึงหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติใช้ได้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกใจสบายสบา ย, บายดู mm hmm. ไปรู้ไป mm hmm. รู้นานนานบ้างเผลอบ่อยบ้างเผล่นานบ้าง mm hmm. เนี่ยพอดูเป็นแล้วนะหลวงพ่อถึงจะบอกให้มาทาในรูปแบบ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 บางคนมันดือ้อเขาดูกันนานไม่ใช่การสะกดจิตตัวเองนะอ้าต่อไปค่ะฮะไม่จบอีกเหรอถ้าหนูยังติดข้องอะไรที่หนูยังไม่ท<ด>ราบก็ดูนะั่นแหละจิตมันติดซึมติดความสุขความสบายมากไปน ะ, ะให้ย้อนมาดูกายให้มากๆไปกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคเะพรเอินน้องชายมาจากต่างจังหวัดแล้วจับฉลากได้ด้วยค่ะนานๆจะมาขอหลวงพ่อีนี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 เมื่อกี้มันหลงไปหลงไปพอเราไปรู้ทันใจมันสลดลงมาหน่อยนะดิดูไปอย่างนั้นแหละอ่ า, อาต่อไปง่ายนะใครอย่าคิดว่าการภาวนายากจริงๆ ง, ง่ายค่ะครับนมัสการหลวงพ่อนะคะมาส่งการบ้านครั้งที่สองนะคะมีคำถามหลวงพ่อสามข้อคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะถ้าตัณหาเกิดแล้วรู้นะคะ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 เราจะได้ไม่มีเวลาเพลินแกกิเลสมากเลยเพรานะนันับถือพวกมุสลิมนะมุสลิมที่ดีเนี่ยเขาละหมาดวันหนึ่งหครั้งเวลาที่ละหมาดเนี่ยไม่ได้ทําชั่วแล้วใช่ไหมจิตใจเขาคิดถึงพระเจ้าของเขาจิตใจเขามีความสุขความสงบมีคุณงามความดีขึ้นมาเขาเป็นการเบรกตัวเองรางั้นเราก็ฝึกเรื่อยๆนะฝึกไม่ต้องเวลาครั้งเดียวตอนจอด น, นอนนะเพราะนั้นทําแบบเสียไม่ได้แล้วอยากนอนส่วนมาก รีบสวดสวดบางคนเหมือนเมื่อวานค่ะ น, น้องไงอีกแล้วก็ข้อที่สองนะคะก็คือจะถามเรื่องของการ เ, เกี่ยวข้องกับการมาคุณนะคะถ้าว่าบวชใจอยู่ที่บ้านไปที่สวนสนันติธรรมไม่ได้อะต้องมีหลักปฏิบัติยังไงบ้างคะเรื่องอะไรนะเรื่องไปสวนสนันติธรรมไม่ได้เ อ, อไม่สามารถจะไปะปฏิบททัติธรรมที่สวนสนันติธรรมได้หรือว่า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 การในพิธการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมคิดว่าโยมมีบุญนะคะที่ได้มาในวันนี้แล้วก็จับฉลากได้เจ้าค่ะโยมรู้สึกตัวว่าตัวโยมเองนี้จะมีกิเลสเยอะแล้วก็พุ่งซ่านแล้วก็คิดในทางส่วนใหญ่ไปในทางที่ที่ที่ไหลไหลลงอนะคะอเจ้าค่ะโยมโยมขอความเมตตาจากหลวงพอ่อแรกเลยนะยช่ว ย, ยวช่วยชีนแหนะ่เจ้าค่ะว่าโยมจะต้องอ น, นะจีนแหน่แล้วนะ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 โยงดีนะดูได้แล้วก็จะกลับเรียนทัอขอคาแนะนำหลวงพ่อว่าใ น, ในรูปแบบเดีย๋ยวอย่าไปตั้งแล้วก็หายใจอย่างเก่านะแค่คเคลื่อนไหวร่างกายไว้ครดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยนะถต่ต่อไปชานิชำนานใจตั้งมั่นแล้วถือเราไปรู้ลมหายใจก็ไม่เป็นไรตอนนี้มันยังติดยังไม่หมดค่ะดูออกไหมมันยังไม่หมด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 ค่าคือทำไม่รู้เรื่องเบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยดีกว่ารู้สึกไหมเห็นไหมใจเราเหมือนลิงขึ้นมาแล้วยุกยิกยุกยิกนะไหมตัวนี้นะอยู่ที่นี่นะไม่ใช่อย่างอย่างนี้ไม่ได้นะอ่าไปต่อไปืางทีหลวงพ่อก็เมื่อยหน้านะพเราก็ต้องทําหน้าอย่างน้นอย่างนี้เพราะโยมดูจิตไม่ออกไงเราก็ต้องทําหน้าให้ดู กับน้มันสการผ้าจารย์ค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านนานแล้วอ่ะตอนนี้ขอส่งนะคะคือเมื่อใดที่ว่าเรามีจิตตั้งมั่นนะคะเราจะเห็นสภาวะทุกอย่างมันผ่านไปไหนไปไปอ่ะค่ะโดยที่ว่าเหมือนจิตเราอยู่ข้างนอกค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่จิตเราไม่ตั้งมั่นนะคะเหมือนกับว่าเราลงไปเป็นผู้แสดงใช่ใช่ะแล้วก็พอเรารู้ปุ๊บมันก็จะ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 ต้องมาเรียนรู้โลกเห็นไหมโลกมีแต่ทุกข์แล้วก็อยู่กับมันแต่เราไม่ทุกข์กับมันนะไม่ใช่หนีมันไปแล้วก็ดีแล้วค่อยฝึกไปอยากขอการบ้านด้วยค่ะไปทํำยีกนะ <c oughs> ทำยีกทําเป็นเราก็ต้องทาบ่อยๆะหมนุนจังมาสักการเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูออหน่อยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นอเอภาวนาพุทโธแล้วค่ะแล้วก็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 อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิฉตุสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถ า, ามณีโชติลโาโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพรโรคโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอาภิวาธนะศีลสนิจังมุธาปจายิโนจัตตาโรธหทมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังภะลัง